Mm hmm. ย้ำไปแล้วนะถึงความสำคัญนะของตัวเราเองว่าจิตใจนี่เป็นมิติประเสริฐที่สุดของเราความประเสริฐของใจเนี่ยนะพระ เ, เจ้าก็ได้เคยตรัสไว้ว่าสิ่งดีๆที่พ่อแม่ทำให้กับเราเนี่ยก็ไม่อาจเทียบได้เท่ากับจิต ท, ที่ฝึกไว้ดีแล้วหรือว่าตั้งจิตไว้ถูกต้อง ในทางตรงข้ามเนี่ยจนผู้ร้ายหรือว่าศัตรูทำร้ายเราแค่ไหนมันก็ไม่ร้ายเท่ากับจิตที่ตั้งไว้ผิดหรือว่าฝึกฝนไว้ไม่ถูกต้องถา้าเราต้องการให้จิตนี้เป็นวิธีรปเสที่สุด ข, ของเราก็ต้องฝึกการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีการฝึกหลายด้าน ฝึกทั้งกายฝึกทั้งวาจาฝึกทั้งใจให้เป็นผู้สนทั้งกายวาจาใจให้กายวาจาใจนี่เป็นบุญการฝึกจิตหรือฝึกใจเนี่ยนะเราก็เรียกว่าภาวนาหรือว่าจิตตภาวนาสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากพวกเราอาจจะได้ฝึกกันมาเยอะแล้วเรื่องกาย เรื่องวา จ, จาเรื่องการให้ทานเรื่องการรักษาศีลแต่ว่าส่วนใหญ่การฝึกจิตฝึกใจหรือการภาวนาการทำกรรมฐานอาจจะไม่ค่อยได้ทนเท่าไหร่สิ่งนี้มันสำคัญมากประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะจากการที่ได้ฝึกจิต อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอข้อหนึ่งก็คือว่ามันช่วยทำให้ชีวิตของเรามีความสมดุลมากขึ้นชีวิตของพวกเรานี่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยสมดุลนะอย่างพวกเราเนี่ยหลายคนก็เป็นพยาบาลหรือว่าทำงานสนับสนุนในโรงพยาบาล เรียกว่าทุ่มเทช่วยเหลือผู้อื่นทำให้เขารอดตายทำให้เขาหายป่วยทำให้เขากลับมายิ้มได้หลายคนทำงานหนักเข้าเวรเรียกว่าเกือบตลอดทั้งเดือนเลยเช้าก็ทำเย็นก็ทำนะค่ก็ทาเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นมา มากมายต่อกันมาหลายปีแต่ว่าในการทำประโยชน์ตนนี่อาจจะน้อยไม่พอเพียงเท่าไหร่บางครั้งก็ไม่ต่างจากพัดลมนะพัดลมนี่เราสังเกตแล้วนะมันให้ความเย็นกับผู้คนแต่ตัวมันนี่กับร้อนลองเราไปแตะ ตัวเครื่องพัดลมนุนะ่นมันร้อนแต่มันให้ความเย็นกับคนโดยรอบในห้องเลยหรือเมื่อเครื่องปรับอากาศนะให้ความเย็นให้ความสงบนะกับผู้คนแต่ตัวมันนี่ร้อนแถมยังส่งเสียงกระหึ่มเลยนะเราไม่จาเป็นต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้นะก็คือว่าเรา ไม่เพียงแต่ให้ความสุขปลดเปลื้องความทุกข์ของผู้คนแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะพบกับความสุขและปลดเปลื้องความทุกข์ออกไปจากใจเราได้เหมือนกันอันนี้เรียกว่าทำให้เกิดทั้งประโยชน์ท่านและประโยชน์ตนการภาวนาเนี่ยมันช่วยตรงนี้นะทำให้เราเนี่ยสามารถจะ ช่วยผู้อื่นได้ด้วยแล้วก็พบวกว่าความสุขความสงบในใจของตัวไม่ต้องร้อนเ่าหรือว่าส่งเสียงกระหึ่มเหมือนเครื่องปั๊บอากาศเจียงอยู่เราอาจจะมีเวลาพักผ่อนแต่ว่าอันนั้นเป็นพักกายในการพักใจนี่ก็สำคัญเหมือนกัน ถ้าเราฝึกจิตสม่ำเสมอเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขความสงบแล้วก็มีกำลังนะที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นต่อไปเราคงเคยพบนะญาติคนไข้นะที่เขาดูแลคนไข้ยอย่างทุ่มเทมากแต่เขาลืมดูแลตัวเอง บางคนก็ล้มป่วยหรือตายก่อนคนไข้ซะอีกหรือว่ามีอันเป็นไปมีสามีภรรยาคู่หนึ่งก็รักกันมากต่อมาภรรยาก็ล้มป่วยเพราะเป็นมะเร็งสามีก็ดูแลต้องช่วยดูแลหลายอย่างลด ง, งานบ้านด้วยทาแทน ภรยาดูแลสุขภาพภรรยาด้วยแต่ว่าแกทำไปก็เครียดไปยิ่งทำยิ่งเครียดเหนื่อยทั้งกายด้วยแล้วก็เหนื่อยทั้งใจบอกว่าพอถึงจุดหนึ่งแกก็เส้นเลือดในสมองแตกก็เลยกลายเป็นอัมพาตช่วยภรรยาไม่ได้แล้ว ในทางตรงข้ามพยายนี่ต้องกลับมาดูแลสามีต้องดูแลตัวเองด้วยซึ่งก็หนักหนายอยู่แล้วยังต้องดูแลสามีกลายเป็นภาระของภรรยาไปแทนที่จะช่วยเขากลับเป็นภาระของเขาอันนี้ก็เพราะว่าไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้ดูแลกายใจเอาแต่ดูแลคนอื่นสุดท้ายมันก็กลายเป็นภาระของผู้คน การฝึะะกจิตนี่มันช่วยทำให้เราได้มีกำลังจิตกำลังใจทำให้เราไม่เครียดและทำให้เรามีความพร้อมในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้นอันนี้คือสมดุลที่เราควรจะมีกนะ็คือว่าประโยชน์ตนก็เข้าถึง แล้วก็สามารถจะทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ไม่ใช่ในหน้าที่เท่านั้นนะแต่ว่าในชีวิตของเราด้วยไม่ใช่แค่คนป่วยผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลนะัแต่ว่ารวมถึงญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานเราก็สามารถจะช่วยเหลือเขาได้ทำประโยชน์ให้กับเขาได้ยิ่งเราทำงานแบบนีนะ้ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับเรื่องประโยชน์ตนให้มาก ปรยตนในที่นี้ก็อย่างที่บอดนะมันเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของเงินทองทรัพสมบัติอันนั้นมันส่วนประกอบแต่เรื่องของจิตใจนะที่สงบเย็นมั่นคงอันนี้สำคัญมากการฝึกจิตบำเพ็ญภาวนาเนี่ยก็ยังทำให้เกิดความสมดุลด้านอื่นด้วยเช่นเกิดความสมดุลระหว่างกายกับใจอย่างที่พูดไว้เมื่อวานนี้ว่า เราให้เวลาและความใส่ใจกับเรื่องของกายมากที่เราทำงานกันเหนื่อยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าจะได้มีเงินมาซื้อหาปัจจัยสี่แล้วก็ความสะดวกสบายซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางตายไม่ว่าจะเป็นรถบ้านแต่ว่าเรื่องของใจ เรามีเวลาให้น้อยเรามีเวลาสำหรับการชำระ ก, กายให้สะอาดผิวพรรณผ่องใสมีน้ำมีนวลแต่ว่าชำระใจให้สะอาดผ่องแผวนี้เราก็มีเวลาน้อยเรามีเวลาสาหรับ ก, การเตริมอาหารให้ร่างกายหาของดีๆให้กับร่างกาย อาหารที่อร่อยอร่อยแต่ว่าอาหารใจเราก็ไม่ค่อยมีเวลาให้เท่าไหร่ทุวันนี้ก็เริ่มมีการล้างพิษกันมากขึ้นนะล้างพิษนี่ก็ใช้เวลากันเยอะนะหลายวันแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นการล้างพิษทางกายแต่ว่าไม่ค่อยมีคนคิดถึงเรื่องการล้างพิษออกจากใจเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นความโกรธ ความกังวลความเสียใจหรือว่าความโรคอันนี้ก็เป็นพิษที่เราต้องรู้จักชำระด้วยก็ต้องมีเวลาให้กับเรื่องเหล่านี้ด้วยเรามีเวลาพักกายกันคนละหลายชั่วโมงต่อวันแต่พักใจมีเวลาถึง10นาที ยีนาทีหรือเปล่านนิจใจก็ไม่ได้ต้องการการไม่ต้องการเวลาที่พักผ่อนมากมายเหมือนร่างกายแต่ว่าแม้กระ น, นั้นก็เราก็ยังไม่ค่อยได้มีเวลาหรือใส่ใจเท่าไหร่ตั้งการเจริญภาวนานนมันทำให้เกิดความสมดุลระหว่างกายกระใจมากขึ้นเรียกว่าเกิดความยุติธรรมเกิดความเป็นธรรม กับกายกับใจในส่วนของใจเนี่ยนะมันก็ต้องมีความสมดุลอีกอีกคู่หนึ่งนะก็คือว่าใจของเราเนี่ยมันเก่งในเรื่องการคิดมากเราคิดได้เก่งคิดได้เร็วคิดได้นา น, นชาวบ้านเนี่ยคิดได้ไม่เก่งไม่เร็วแล้วก็ไม่นานเหมือนเรา เรใช้ความคิดได้แค่ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึ่งเขก็ปวดหัวแล้วแต่พวกเรานี่สามารถจะคิดได้นานนะเป็นวันเป็นคืนไม่ว่าจะเป็นการศึกษาค้นคว้าการใช้สมองแต่ว่าสิ่งที่ขาดหายไปส่วนใหญ่ก็คือรู้จักหยุดคิดรู้จักวางความคิดบ้างคิดเก่งแต่ว่าหยุดคิดไม่เป็นวางความคิดไม่ได้นี่ก็ อันตรายนะอย่างเบอกว่าทําให้นอนไม่หลับซึ่งก็เป็นปัญหาของคนสมัยนี้มากนะอยากจะหลับแต่มันหลับไม่ได้เพราะความคิดนี่มันมันไม่ยอมไม่ยอมหยุดทีแรกนี่เราเป็นผู้คิดแต่คิดแต่คิดไปมันกลายเป็นนายเราไปซะละมันจะคิดสักอย่างอะเราห้ามมันไม่ได้บางคนคิดจนเครียด บางคนก็คิดจนปวดทั ว, วบางคนคิดจนกระทั่งไม่รู้จะทำยังไงมันหยุดคิดไม่ได้เริมันคิดแต่เรื่องร้ายคิดแต่เรื่องทาร้ายจิตใจตัวเองไม่รู้ทาไงกินยาก็ไม่ไม่หยุดแถมปรุงแต่งภาพล้อต่างๆท้ายก็เลยต้องหาทางออก้วยการฆ่าตัวตายเพราะว่า คิดว่าเป็นวิธีเดียวที่จะหยุดความคิดได้คิดว่าเป็นวิธีเดียวที่จะหยุดจากหรือหลุดจากนรกจิจิตมันปรุงแต่งขึ้นมาได้จริงมันไม่จะเป็นต้องทำอย่างนั้นเลยคนเรามีความสามารถที่จะวางความคิดสามารถที่จะหยุดคิดได้แต่เป็นเพราะทุกวันนี้เราไปส่งเสริมการคิดคนคิดเก่ง ก็จะประสบความสาเร็จในเรื่องการเรียนการศึกษาเรื่องการทำงานเราก็เลยคิดกันใหญ่ท้ายเราก็หยุดคิดกันไม่ได้หยุดคิดไม่เป็นมันก็เหมือนกับคนที่เรียนผูกนะแต่ว่าไม่ได้เรียนวิธีแก้ด้วยผูกปมเก่งแต่แก้ปมไม่ได้ปมก็เยอะขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นปมในจิตใจกลายเป็นปมในชีวิต เหมือนกับคนที่ปีนต้นไม้เก่งแต่ลงไม่ได้ลงไม่เป็นเหมือนกับรถที่เร็วมีกําลังเร็วมีกําลังแรงแต่ไม่มีเบรกรถชนิดนี้ราคาเป็นล้านหรือสิบล้านคนก็ไม่กล้านั่งนี่หมดลงพราคูณมานั่งถ้าก็ไม่เอานะอันนี้เสี่ยงหว่าเปล่าถ้าช่ิงลองบางทีก็ตกอยู่ในความเสี่ยงเพราะเห็นเนียนะ คือเราเหมือนกับรถที่เร็วที่แรงแต่เราไม่มีเบรคหรือเปรียบเหมือนกับเครื่องบินที่สามารถจะทะยานขึ้นฟ้าได้แต่ว่าไม่สามารถจะล่อนลงพื้นดินได้อาจเป็นเพราะว่าไม่มีอุปรกรณ์ที่จะล่อนลงหรือเพราะว่าคนขับขับแต่รู้แต่วิธีการพาเครื่องขึ้นฟ้านนะแต่เอาลงไม่ได้ มันมีนะคนที่ฝึกมาเรียนมาแต่เฉพาะเรื่องพาเครื่องขึ้นฟ้าเหินฟ้านะแต่ว่าไม่ได้เรียนเรื่องการพาเครื่องลงอย่างพวกที่ยิ้เครื่องบินเพื่อชนตึก World ร์เซ e นเตอร์เมอร์ที่สเปนกัญญาเนี่ยวันนี้ไปเรียนโรงเรียนสอนการบินนะเรียนแต่การพาเครื่องขึ้นนะแต่ไม่ได้เรียนการล่อนลงครูสอนก็แปลกใจทําไมเรียนแค่นี้นะ มานึกได้ที่หลังอ๋อเรียนเพื่อจะเอาเครื่องบินไปก่อการร้ายนั่นเ อ, ง, องการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันช่วยทําให้เราได้รู้จักหยุดคิดได้นการทําสมาธิการเจริญสติเนี่ยมันช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถจะดูแลควบคุมความคิดได้ถึงวเวลาจะหยุดคิดก็หยุดได้ถึงวเวลาจะวางความคิดก็วางได้เพราะว่า มีสติรู้ทันความคิดหรือว่ารู้จักกากับความคิดนี้ให้มันอยู่ในที่ในทางเวลาคิดจนเหนื่อยล้าแล้วก็พักก่อนกลับมาตามลมหายใจกลับมายกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมหรือว่าคลึงนิ้วให้ใจนิวางความคิดพอใจได้วางกัความคิดสักพักมันก็เริ่มกลับมีกำลัง มีกำลังกลับมาคิดใหม่ก็ อ, อาจจะคิดได้ดีไม่คิดว่น่นวนไม่คิดแบบเลื่ยไลา่าเหมือนกับก่อนที่จะฝึกมาทุวันนี้นี่เราคิดเลี่ยรล่ามากนะคือมันคิดไม่เป็นที่เป็นทางแต่ถ้าเรามาฝึกจิตนะและฝึกถูกทางเนี่ยมันจะคิดเป็นที่เป็นทางไม่เลี่ยไรลา่าเพราะมีสติเป็นตัวกำกับ ถึงเวลาจะหยุดคิดก็หยุดได้วางความคิดลงกับมาอยู่กับความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับความรู้สึกกายอันนี้กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาเพราเราฝึกจนเชี่ยวชาญ น, นอกจากสร้างความสมดุลระหว่างกายกับใจระหว่างความคิดกับการหยุดคิดหรือวางความคิดแล้วนะาการฝึกเจียงช่วยทําให้เรา สร้างสมดุลระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ด้วยคนทุกวันนี้นี่ฉลาดในการใช้เหตุผลแต่ว่าอารมณ์เนี่ยพุ่งพล่านนะจนกระทั่งไม่สามารถจะควบคุมได้อาการอย่างเนื้อคือว่ารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าไม่สามารถจะบังคับจิตได้ไม่สามารถจะห้ามใจได้ นั่นเช่นพวกเราที่ทํางานโรงพยาบาลก็รู้นะว่าก็พยายามให้การอบรมให้การรณรงค์นะเรื่องบุหรีนะเรื่องเหล้าเรื่องอาหารที่มีไขมันคนไข้ก็รูนะ้ประชาชนก็รู้ว่าสูขบุหรี่ไม่ดีกินเหล้าไม่ดีกินอาหารหวานไปไม่ดีไขมันมากไม่ดีแต่ทําไมคนป่วยยังมาเยอะนะ เพก็ห้ามใจไม่ได้ก็รู้ว่าไม่ดีแต่ว่าห้ามใจไม่ได้ก็ยังสูบก็ยังกินอันนี้รวมถึงเรื่องอื่นด้วยนะเด็กๆ ก, ก็รู้ว่าความขยันเป็นเรื่องดีแต่ว่าไม่สามารถจะห้ามใจให้วางเกมหรือว่าการละเล่นได้ผู้ชายหลายคนก็รู้นะว่ า, าการไปมีกิก๊กนะมีชูนี่ไม่ดี ทำให้บ้านแตกแต่ว่าก็ห้ามใจไม่ได้อย่างที่เขาเรียกว่าดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้อันนี้เป็นปัญหาของคนสมัยนี้นะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เด็กๆก็รู้ว่าการทิ้งขยะอ่าเรี่นราดนี้ไม่ดีแต่ว่าก็ห้ามใจไม่ได้ทิ้งเปิดไปหมดอันนี้ก็เรียกว่ามันมีช่องว่างระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ ระหว่างข้อมูลความรู้นะกับความรู้สึกเป็นเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีการฝึกจิตให้มีกำลังที่จะสามารถบังคับจิตให้คล้อยตามเหตุผลได้หรือว่าให้มันมีความสมัครคีกร่องเหตุผลกับอารมณ์เหตุผลบอกว่าอย่างนี้ดีก็สามารถบังคับจิตหรือว่าโน้มน้าวจิตให้ทา อย่างที่รู้ว่าดีรู้ว่าถูกต้องรู้ว่าเล่าไม่ดีบุหรี่ไม่ดีก็สามารถจะบังคับจิตหรือฝึกจิตให้ให้วางนะให้คลายจากสิ่งนั้นได้นะไม่รู้สึกหลงไหลนะกับสิ่งที่มันเป็นโทษต่อร่างกายและจิตใจแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้ฝึกกันตรงนี้นะเราฝึกกันแต่เรื่องหัวฝึกกันแต่เรื่องสมองแต่ว่าใจไม่ได้ฝึกด้วย ก็เลยเกิดปัญหามากมายทั้งปัญหาสาธารณสุขปัญหาศิลธรรมปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมทุกคนก็รู้ว่านงการออกกำลังกายเป็นของดีขึ้นโดยขึ้นบันไดดีประหยัดพลังงานไม่ใช้พลาสติกเนี่เป็นของดีแต่ว่าห้ามใจไม่ได้อันนี้ก็มันไม่ได้แก้ด้วยการศึกษาธรรมะนะแม้แต่การศึกษาธรรมะก็อาจจะไม่ช่วย เพราะว่าการศึกษาธรรมะาจจะเป็นเรื่องหัวหลวงพ่อปานวัดบางนมโคท่านเคยเล่าสมัยที่ท่านเป็นพระใหม่ไปเรียนป ร, ริยติธรรมนะที่สำนักหนึ่งนะสมัยก่อนต้องไปเรียนตามสำนักไม่ใช่มันยังไม่มีโรงเรียนสำนักไหนครูบาอาจารย์คนไหนเก่งก็ไปเรียนพระอาจารย์จีเนทาน เป็นคนที่สอนเก่งมากนะความรู้ด้านปรัชญาธรรมเยอะแต่มีปัญหาคือว่าเป็นคนอารมณ์ร้ายเวลาลูกศิษย์ตอบช้าหรือตอบผิดตอบไม่ทันใจอาจารย์จีนนี่เ็ไปตบเลยแบางทีเขาไปขย่ำคอก็รั้วไม่ดีนะอาจารย์จีนก็รั้วไม่ดีนะแต่ว่าห้ามใจไม่ได้แล้วแก้ปัญหานี้ยังไงก็ท่านก็เลยแก้ด้วยการทำกลงไว้ในห้องเรียน เวลาสอนหนังสือท่านก็จะเข้าไปอยู่ในกลงแล้วก็ล็อกกุญแจไว้แล้วก็สอนในกลงนั่นแหละเวลาสอนเวลาถามนักเรียนตอบไม่ได้ก็ทำอะไรไม่ได้มานอกจากขย่าวกลงก็ออกจากกลงไม่ได้นี่ขนาดนี้นะครูสอนเปรติธรรมนะสมัครใจเข้ากลงเองนะเพราะรู้ว่าถ้ากลัวแล้วเนี่ยมันจะอยากจะเข้าไปขย้ำเข้าไปตกนักเรียน น, นี่ก็เป็นกันก็ดีช่วยรู้หมดนะแต่อดใจไม่ได้รู้ว่าโกรธไม่ดีสอนธรรมะมาได้แท้รูว่โกรธไม่ดีแต่ห้ามใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ได้ฝึกใจให้การฝึกใจนี่มันช่วยทําให้อารมณ์เนี่ยสามารถจะเป็นกุศลแล้วก็คล้อยตามเหตุผลได้แต่ถ้าใจไม่ได้ฝึกอารมณ์มันก็สามารถจะปรุงแต่งเหตุผลหรือใช้เหตุผลไปในเรื่องของตอบสนอง อารมณ์ได้นะบางคนที่เหตุผลดีนะแต่ล้วนแต่เป็นเหตุผลที่เกิดจากการชักจูงชักใ่ของอารมณ์เพื่อมาผลเปรอความต้องการของตัวเองมีนายตำรวจท่านหนึ่งน ะ, กะเกษียณแล้วนะพูดถึงแม่ของตนนะแม่ก็อายุประมาณ90สแล้วลูกนี่ก็พยายามคุมอาหารของแม่นะ แต่ว่าแม่เนี่ยก็ก็ไม่ชอบนะวันหนึ่งก็พูดกับลูกว่าลูกนะพะโล้นี่แม่ก็ชอบนะมันเชื่อมนี่แม่ก็ชอบข้าวเหนียวมะม่วงแม่ก็ชอบนะให้แม่กินเธออีกไม่นานแม่ก็ตายแล้วพูดแบบนี้ลูกก็ใจอ่อนนะ ก็หาให้มาให้แม่กินต่อมาลูกก็อยากจะชวนแม่เข้าวัดไปฟังพระเทศนะไปปฏิบัติธรรมเพราะว่าแม่ก็ยุมากถ้าได้ฟังพระเทศได้ปฏิบัติธรรมได้เจริญร้อนนสติแม่ก็จะได้อ่ไปสงบพอชวนแม่ไปวัดไปปฏิบัติธรรมแม่ก็บอกเอาไว้วันหลังก็ได้ นะลูกแม่ยังอยู่ได้อีกนานที่จะกินของอย่างน้นอย่างนี้จะบอกว่าแม่จะจะอยู่ได้ไม่นานกาลังจะตายแล้วแต่พอจะชวนเข้าว่านี้หายเหตุผลตรงข้ามเลยนะว่าแม่จะอยู่ได้อีกนานาไว้วันหลังก็แล้วกันเอาเหตุผลมาใช้นะเพื่อตอบสนองอารมณ์คืออารมณ์มันไม่อยากไปปฏิบัติธรรมนั้นก็หายเหตุผลมาสารพัด เวลายอยากจะกินน้อนกินนี่ก็หาเหตุผลตรงข้ามเหตุผลมันถูกใช้เพื่อมาสนองอารมณ์อันนี้ก็เป็นเพราะว่านัาไม่ได้ฝึกจิตเหตุผลมันก็เลยถูกใช้เพื่อสนองความต้องการที่อาจจะเป็นอันตรายหรือเป็นโทษกับตัวเองด้วยซ้ำํำให้การฝึกกรรมฐานมีทําให้เกิดความสมดุลระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ระหว่างสมองกับหัวใจทําให้ ไปในแนวทางเดียวกันบางครั้งเหตุผลก็ถูกแล้วแต่ว่าใจไม่คล้อยตามพอฝึกแล้วใจก็คล้อยตามอย่างเช่นเราก็ร่วมปฏิบัติธรรมกัเรื่องดีแต่ว่าใจก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยคล้อยตามเท่าไหร่เพราะยังติดในแสงสีในความสนุกสนานแต่พอเราได้ฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็คล้อยตามง่ายๆแต่บางครั้งเหตุผลมันก็ เป็นเหตุผลที่ผิดนะก็มีอารมณ์เนี่ยคอยช่วยน้อมคอยช่วยกล่อมกล่าวเหตุผลให้มันเป็นไปในทางที่ถูกเช่นบางคนเนี่ยเขาเขาอาจจะทำตัวไม่ดีนะทำตัวน่ารังเกียจเวลาเขาเดือดร้อนมันก็มีความคิดนึงเกิดขึ้นว่าจะไปช่วยเขาทำไมช่วยไปก็มีไม่ประโยชน์คนอย่างเงี้ยคจะรับกรรม ถ้าเกิดว่าจิตนี่มีเมตตาเมื่อจิตไม่เมตตาเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้เหตุผลในส่วนนี้มันมันเบาลงจิตที่มีเมตตาก็พร้อมที่จะช่วยใครแด้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเขาจะเคยทําอะไรกับเรามาหรือเปล่าความเมตตาทําให้เกิดความเห็นใจ แ, แม้กระทั่งคนที่เป็นผู้ร้ายคนที่ทําตัวไม่น่ารักก็ยังอยากจะช่วยเขา ทังที่เหตุผลนี่มันสามารถจะสรรหารมาได้สารพัดว่าคนอย่างนี้ไม่น่าช่วยแต่ว่าเมตตากรุณามันทําให้สามารถจะหักล้างเหตุผลแบบนี้ได้ก็ลงเข้าไปช่วยเขาก็ปรากฏว่าในสุดก็สามารถจะทําให้เขากลายเป็นคนที่นิสัยดีขึ้นเพราะว่าเวลาเวลาเดือดร้อนและมีคนมาช่วยนะก็ทําให้เริ่มเห็นเริ่มทราบซึ่งใน บุญคุณของผู้อื่นในความเป็นตัวก็จะน้อยลงแล้วก็คิดถึงคนอื่นมากขึ้นเี่ถ้าเราอยากจะให้ชีวเรามีสมดุล น, นะในการปฏิบัติทำการเจริญสติการฝึกจิตเนี่ยมันช่วยได้มากเลยช่วยทำให้ทั้งเกิดสมดุลระหว่างประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านทำให้เกิดสมดุลระหว่างกายกับใจระหว่าง การคิดเก่งกับการรู้จักวางความคิดได้แล้วก็เกิดความสมดุล ร, ระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ถ้าช่วยทำมันไม่สมดุลแล้วมันก็มีความเจริญนะมันสามารถที่จะไปได้ถูกที่ถูกทางมากขึ้นถ้าถึงที่สุดแล้วเนี่ยสมดุลอัจริยะที่จําเป็นก็คือว่าเราก็รู้เรื่องโลกภายนอกมาเยอะแล้วเราก็รู้เรื่องโลกนอกตัวมาเยอะแล้วมารู้เรื่องตัวเองบ้าง ฉลาดเรื่องภายนอกเยอะแล้วมาฉลาดเรื่องตัวเองเรื่องจิตใจตัวเองบ้างอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะใช้ใจของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะอาศัยประโยชน์จากจิตใจเนี่ยมาช่วยหล่อเลี้ยงการทำงานการเบื่อชีวของเราได้เมื่อใจเรามีความสุขนะเราก็สามารถจะทำงานได้อย่างมีความสุขด้วย ถ่าใจเรางองแงเลวรวนนะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขทงํงานก็ไม่มีความสุขเที่ยวก็ไม่มีความสุขฟังเพลงกินอาหารอร่อยก็ไม่มีความสุขเพราะว่าใจแบบไม่เอาด้วยให้ลองกลับมาดูนะพิจารณาดูนะว่าเราต้องมาช่วยกันสร้างสมบุรณให้กับชีวิตของเราให้มากขึ้นอันนี้แหละนะันจะทำให้เรามีตนเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริง